ผีถ้วยแก้ววิญญาณผีตายโหงสัมผัสสยองรุ่งฟ้าและดาวเป็นหญิงสาวที่อยู่ในหมู่บ้านชนบททั้งสามคนเป็นเพื่อนกันและมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ลุงมีศักดิ์เป็นพี่เพราะเป็นลูกของลุงฟ้าเป็นลูกของน้องสาวของลุงส่วนดาวเป็นญาติห่างๆทั้งสามคนจบโรงเรียนในหมู่บ้านซึ่งเป็นโรงเรียนของเอกชนที่ด้วยรับเงินสนับสนุนจากสภาคริสตจักรจึงทำให้ทั้งสามคนได้เรียนหนังสือเพราะไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนแต่เสียค่า อ, อุปรกรณ์การเรียนบ้างเล็กน้อยทั้งสามคน เรียนจนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สเพื่อนๆในหมู่บ้านเมื่อเรียนจบแล้วก็ไม่มีเงินไปเรียนต่อด้วยความยากจนจึงต้องออกมาหางานทําช่วยเหลือครอบครัวรุง่งฟ้าและดาวก็เช่นกันเมื่อเรียนจบแล้วคุณครูก็ได้พาไปสมัครงานที่โรงพยาบาลในเครือสภาคฤตสักร โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลทำงานทุกอย่างตั้งแต่ดูแลคนไข้เช็ดตัวแม้กระทั่งเทกระโหนงานก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันสำหรับหญิงสาวว 16, ัย1 6บปีแต่ด้วยฐานาทางบ้านจึงต้องอดทนการทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลจะทำเป็นกะกะละ8ดชั่วโมงเข้าเวรเช้าตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็น เวลาบ่ายจะเข้าสี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเวรดึกจะเข้าสี่ทุ่มถึง8ดโมงเช้าของอีกวันหนึ่งใครจะได้อยู่เวรช่วงไหนของแต่ละสัปดาห์หัวหน้าจะเป็นคนให้จับสลากสลับกันไปในแต่ละสัปดาห์บางช่วงคนไข้เยอะมากอาจจะได้อยู่เวรสองกะต่อวันเช่นอยู่เวรเช้าและไปเข้าเวรดึกต่อ ทำงานประมาณ16ชั่วโมงแต่ก็จะได้ค่าจ้างพิเศษด้วยบางวันเพื่อนไม่สบายหรือไปทำทุระอาจจะขอให้เพื่อนอยู่เวรแทนถ้าออกเวรแล้วจะไปรับงานพิเศษเฝ้าคนไข้หรือหลังเลิกงานไปช่วยคุณหมอที่คลีนิกส่วนตัวก็จะได้รับเงินเพิ่มดูเหมือนทำงานหนักแต่รายได้น้อยหรือเกินแต่จะทำไงได้ เรียนน้อยก็ต้องทำงานหนักอย่างนี้แหละดังนั้นต้องประหยัดโชคดีอยู่อย่างคือโรงพยาบาลมีห้องพักให้อยู่หญิงสาวทั้งสามจึงได้พักอยู่ห้องเดียวกันวันนี้รุง่งฟ้าและดาวได้หยุดพร้อมกันทั้งสามคนจึงชวนกันกลับไปเยี่ยมพ่อและแม่ที่บ้านในชนบทแล้วก็กลับมาที่ห้องพักในตอนเย็น เพื่อเตรียมตัวทำงานในวันรุ่งขึ้นหลังจากอาบน้ำและรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วรุ่งได้ชวนฟ้าและดาวว่าตอนนี้สองทุ่มกว่าอยู่เลยเรามาเล่นผีถ้วยแก้วกันเถอะฟ้านึกสนุกจึงตอบตกลงดาวเองถึงจะไม่ชอบเท่าไหร่แต่ก็ตามเพื่อนรุ่งจึงมอบหมายให้ดาวเป็นคนทำอุปกรณ์การเล่น เพราะดาวเป็นคนเรียบร้อยและตัวหนังสือสวยส่วนรุ่งและฝาจะเป็นคนไปเชิญดวงวิญญาณมาเล่นผีถ้วยแก้วดาวจัดแจงเอากระดาษแผ่นใหญ่ขนาด60คูณ80เซนติเมตรมาตีตารางโดยให้ช่องตรงกลางของกระดาษเป็นช่องที่พักสำหรับพักถ้วยช่องด้านซ้ายมือเป็นช่องเขียนคำว่าชัยด้านขวา เป็นช่องที่เขียนคําว่าไม่ใช่ส่วนตารางด้านบนเป็นตัวพยัญชนะไทยเฉพาะตัวที่ใช้บ่อยๆตารางด้านล่างซ้ายเป็นตัวสละด้านขวาเป็นตัวเลข0ูนยถึงเกเท่านี้ก็เป็นงานเสร็จสิ้นในการสร้างอุปกรณ์การเล่นรุ่งและฟ้าไปยันเชิญดวงวิ ญ, ญญาณของคนตายมาเล่นผีถ้วยแก้ว พวกเธอนำถ้วยหนึ่งใบพร้อมทูปหนึ่งดอกเดินลงจากห้องภักไปมุ่งหน้าไปยังโรงเก็บศพซึ่งบริเวณ น, นั้นมีต้นจามจุรีต้นใหญ่ขนาดสามคนโอบรอบรุ่งบอกว่ารุ่งเคยเห็นผู้ช่วยพยาบาลมักจะนำชิ้นส่วนของการผ่าตัดมาฝังบริเวณ น, นั้นเช่นแขนขา หรือศพของเด็กทารกที่ตายหลังจากคลอดรุ่งจุดทูบหนึ่งดอกพร้อมพนมมือไหวและกล่าววันเชิญดวงวิ ญ, ญญาณที่อยู่บริเวณนั้นไปเล่นผีถ้วยแก้วด้วยกันฟ้าก็ยกมือพนมแล้วความถ้วยแก้วลงบนฝ่ามือเป็นอันเสร็จพิธีในการนันเชิญดวงวิญญาณรุ่งและฟ้าจึงพากันกลับมาที่ห้องผักที่ดาวนั่งรออยู่ ทั้งสามคนนั่งล้อมกระดาษที่เตรียมไว้ฟ้าเลื่อนถ้วยแก้วที่อยู่บนมือลงบนกลางกระดาษตรงจุดพักถ้วยอย่างระมัดระวังแล้วทั้งสามคนก็เริ่มเล่นผีถ้วยแก้วกันแต่ละคนใช้นิ้วชี้ของมือขวาวางตรงก้นถ้วยแก้วที่คว่มอยู่รุ่งเริ่มถามคำถามแรกว่าวิญญาณที่มาเล่นด้วยชื่ออะไร ถ้วยแก้วก็ค่อยๆเลื่อนไปที่ตัวสอนส่อเสือโดยที่ทั้งสามคนไม่ได้ใช้แรงผลักเลยทั้งสามคนมองหน้ากันสักครู่ถ้วยแก้วก็เลื่อนไปที่ตัวสอนมอมา้ารุ่งเลยถามต่อว่าชื่อสมใช่ไหมถ้วยแก้วก็เลื่อนไปที่ช่องคำว่าใช่ดาวจึงถามว่าอายุเท่าไหร่ ถ้วยแก้วเลื่อนไปที่ตัวเลขสี่แล้วไปหยุดที่เลขสามรุ่งถามต่อว่าอายุส3สามใช่ไหมถ้วยแก้วก็เลื่อนไปที่ช่องคำว่าใช่ฟ้าถามว่ามาคนเดียวหรือเปล่าถ้วยแก้วก็เลื่อนไปที่ช่องไม่ใช่ทั้งสามคนนิ่งไปสักพักแล้วก็เล่นต่อฟ้าถามว่าเป็นอะไรตาย หวยแก้วจึงเลื่อนไปที่ตัวสอนรอเรือทอถุงชอช้างและนอหนูทุกคนมองหน้ากันแล้วดาวก็ทานว่าโอ้ยตายละเราเล่นกับผีตายหงเหรอเนี่ยส่วนรุ่งรัฟ้าก็าได้แต่นิ่งเงียบไม่พูดอะไรดาวนึกสนุกขึ้นมาเลยถามว่าพวกเราสามคนใครสวยกว่ากัน ถวยแก้วเลื่อนไปที่ตัวอักษรฟอฟันทั้งสามคนหัวเราะขึ้นพร้อมกันเพราะความเป็นจริงฟ้าก็มีรูปร่างหน้าตาสาสสวยกว่าเพื่อนอยู่แล้วรุ่งถามถึงอนาคตเพราะคิดว่าผีถ้วยแก้วน่าจะยังรู้อนาคตเธอถามว่าสามคนที่อยู่ตรงนี้ในอนาคตใครจะโชคดีและร่ำรวยบ้าง ผีถ้วยแก้วเลื่อนไปที่ตัวอักษรดอเด็กสละอาและวอลแวนถึงแม้จะไม่ได้ถามคำถามนี้ทุกคนก็พอจะดาวได้เพราะดาวเป็นคนเรียบร้อยขยันและประหยัดมัธยัติอนาคตต้องไม่อับจนอย่างแน่นอนทั้งสามคนเล่นผีถ้วยแก้วจนเกือบจะถึงเวลาเที่ยงคืนดาวจึงชวนเลิกเล่นเพราะพรุ่งนี้ ทุกคนจะต้องเข้าเวรเช้ารุ่งจึงกล่าวคำอำลากับผีถวยแก้วว่าสวัสดีแล้วถ้วยแก้วก็เลื่อนไปที่ตัวอักษรเรียงกันเป็นคำว่าสวัสดีต่อจากนั้นฟ้าจึงค่อยๆเลื่อนถ้วยแก้วคว่ำไว้บนฝ่ามือแล้วชวนกันไปส่งดวงวิญญาณที่ต้นจามจุรีตรงจุดเดิมก่อนที่จะกล่าวคำอำลาอีกครั้งรุ่งพูดขึ้นว่า พรุ่งนี้เช้าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เมื่อรุ่งและฟ้ากลับมาถึงห้องพักทั้งสามคนก็เข้านอนเพราะใกล้รุ่งสางประมาณตีสี่รุ่งก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมาดึงผ้าห่มของตนรุ่งคิดว่าดาวที่นอนอยู่ข้างๆคงจะหนาวจึงดึงผ้าหม่มรุ่งลุกขึ้นมานั่งมองไปยังดาวก็เห็นดาวนอนห่มผ้าห่มและหันหลังให้ รุ่งจึงคิดว่าหรืออาจจะเป็นดวงวิญญาณของนายสมมาทวงส่วนบุญที่รุ่งได้สัญญาว่าจะไปอุทิศให้รุ่งจึงลุกขึ้นมาเตรียมอาหารขาวและหวานเพื่อจะนำไปทำบุญตักบาตรพระตอนหกโมงเช้าเวลาประมาณหกโมงกว่าพระก็เดินมาหน้าปากซอยซึ่งอยู่ข้างหอพักรุ่งจึงนำอาหารไปใส่บาตรพร้อมกับบอกพระว่า ขออุทิศส่วนบุญกุศล น, นี้ให้นายสมพอพระรับของใส่บาตรเสร็จก็สวดมนต์อุทิศให้ตามประสงค์จากนั้นทั้งสามคนก็ไปทำงานตามปกติหลังเลิกจากงานรุ่งและฟ้าบอกว่าคืนนี้จะต้องเข้าเวรดึกจึงขอนอนพักก่อนส่วนดาวจะเข้าเวรเช้าจึงยังไม่อยากนอนเวลาประมาณสี่ทุ่ม ขณะที่ดาวกําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ๆก็ได้ยินเสียงรุ่งและฟ้าตะโกนเสียงดังดาวรีบวิ่งไปดูเพื่อนๆทั้งสองคนก็เห็นว่าทั้งสองทำหน้าตกใจกลัวตัวสั่นเทาพูดเสียงตะกุกตะกักฟังไม่รู้เรื่องดาวพยายามปลอบขวัญเพื่อนจนเพื่อนเริ่มได้สติกลับคืนมาทั้งสองจึงเล่า ว, ว่า ในขณะที่กําลังนอนอยู่นั้นก็เหมือนตกอยู่ในผวังเขาเห็นเงาดำร่างใหญ่สองร่างยืนอยู่ที่ปลายเตียงแล้วสองร่างนั้นก็ขึ้นมาทับร่างของรุ่งและฟ้าทั้งสองรู้สึกหนักอึง้งหายใจไม่ออกขยับตัวไม่ได้จะร้องขอความช่วยเหลือก็ร้องไม่ออกต่อสู้ดิ้นรนกันอยู่พักใหญ่จึงหลุดจากการกดทับ และส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือได้ทั้งสามคนจึงมาหาสาเหตุว่าทำไมจึงถูกวิญญาณทำราย ท, ทั้งทั้งที่เล่นผีถ้วยแก้วถูกต้องตามพิธีดวงวิญญาณก็นำไปส่งที่เดิมแล้วทำไมถึงมีวิญญาณอยู่ในห้องถึงสองคนพวกเธอทั้งสามนั่งคิดกันได้สักพักดาวก็นึกขึ้นได้ว่ามีอยู่คำถามหนึ่งที่ได้ถามผีถ้วยแก้วไป แล้วได้คำตอบกลับมาว่าไม่ใช่จึงสันนิฐานได้ว่าอาจจะมีดวงวิญญาณที่มาด้วยกันแต่ยังไม่ได้เอาไปส่งที่เดิมทั้งสามคนก็เลยต้องมาเล่นผีถ้วยแก้วกันอีกครั้งโดยอัญเชิญดวงวิญญาณที่อยู่ในห้องมาเล่นด้วยกันเมื่อถามผีถ้วยแก้วว่ามีกี่คนก็ได้รับคำตอบว่าสองคนพอถามชื่อเสียงเรียงนามกันเสร็จ หลังจากกล่าวคำอำลาสวัสดียิงสาวทั้งสามก็นำดวงวิญญาณทั้งสองไปทรงที่ต้นจามจุรีตั้งแต่นั้นมายิงสาวทั้งสามคนก็ไม่เล่นผีถ้วยแก้วกันอีกเลยเพราะเข็ด จ, จนตาย สมภัสยง